ของวัดเราเนี่ยนะมีแต่ธรรมะรวนๆเลยไม่มีอย่างอื่นเราไม่ต้องมีอย่างอื่นโขนกะะ็เยอะละส่วนมากก็ต้องมีพิธีกรรมมีอะไรจูงใจรับศีลรับอะไรเงั้นไปเราเอาแต่ตัวธรรมะเวลาเราน้อยอย่างให้หลวงพ่อไปนำสวดมนต์ไปนั่งสมาธินันเสียเวลาเหมือนเอามีดโกนไปผ่าฟืนเสียเวลา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 ไม่รู้จักตัณหาที่สาไม่รู้จักนิโรธเป็นนิพพานอันที่สี่ไม่รู้จักอริยมรรคมีองค์8ประการอันที่ห้าเนี่ยไม่รู้จักขันธาตุอายตนะที่เป็นอดีตอย่างอยู่ๆก็คิดว่าที่เราฟโฟล์มาตรงเนี้ยอยู่ๆก็ เ, เกิดขึ้นลอยๆเกิดขึ้นมาเองไม่มีเหตุให้เกิดนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเชนิดหนึ่งชื่ออาเหตุตุกาทิฏฐิไม่มีเหตุเขาเกิดขึ้นมาได้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 ไม่มีการกระทำนะทุกอย่างเป็นไปเองเกิดขึ้นเองลอยๆนะผันแปรไปเองนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกพวกหนึง่ง mm hmm. ความไม่รู้ประการที่แปดนะี่เรียกว่าอัตตทิฏฐิ mm hmm. ชื่อเรียกยากนะหรืออัตตทิฏฐิมีความเห็นว่ามีตัวมีตนที่เห็นว่ามีตัวมีตนเขาไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทคือไม่เห็นว่าความเป็นตัวตนนั้นมันอาศัยความปรุงแต่งเกิดขึ้นเป็นคราวๆนะจริงๆไม่มีหรอก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 อโยนิโสมนาสิการเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโมหะอโยนิโสมนาสิการคือใจที่มันไม่ฉลาดมันไม่แยกขายแล้วอะไรทำให้เกิดอโยนิโสมนาสิกานก็มีเหตุอีกนะอันแรกเลยไม่มีบุญเลยไม่มีบุญส่งผลมาให้เลยนะมีแต่สะสมแต่ความโง่มาสะสมแต่ความเห็นผิดมาไม่มีบุญติดเนื้อติดตัวมาเลยอันที่สองเนี่ยเพราะอาศัยที่มันไม่มีบุญเนะ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 โยนิโสมานสิกานี่เป็นเบื้องต้นของคุณงามความดีทั้งหลายเลยกุศลทั้งหลาย เ, เนี่ยเหตุใกล้ของกุศลทั้งหลายนีคือโยนิโสมานสิการทั้งสิน้นเลเหตุใกล้ของอกุศลทั้งหลายคืออโยนิโสมานสิกานเหตุใกล้ของโมหะก็คืออโยนิโสมานสิการนี่ทําไงเราจะจัดการกับโมหะได้จัดการไม่ได้เพราะโมหะเป็นอนัตตา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 แต่ว่าอาศัยยืมคำว่าปัญญาของศาสนาพุทธไปใช้ก็เลยเรียกว่ามีปัญญาความจริงมีความรู้ทางฟิสิกส์นมีความรู้ด้านนั้นด้านนี้แต่ไม่ได้มีความรู้เพื่อความพ้นทุกปัญญาเป็นความพ้นทุกเป็นความรู้เพื่อความพ้นทุกเท่านั้นนี่ทำยังไงจะเกิดปัญญานี่ตัวนี้ตัวสำคัญนะทำไงจะเห็นแจ้งอริยสัจ ท, ทำไงจะไม่มีมิจฉาทิฐิ รู้ความจริงของรูปธรรมนา ม, มาทำขันาธาตุอายตนะขันาธาตุอายตนะจริงๆก็คือรูปธรรมนา ม, มารำนั่นเองอย่างขั น, นมีรูปประขันใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธาตนะุลนะ่ะธาตุสิบแปตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะอันนี้เป็นตัวรูปนะใจและธรรมอารมณ์บางส่วนเป็นนาม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 เพราะในขันห้าเนี่ยมีรูปหนึ่งมีนามตั้งสี่แจกแจงนามออกไปเยอะคนไหนถนัดรู้รูปท่านจะสอนอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปใช่ใจเป็นนามมีนามอันเดียวรูปมีเยอะให้แจกแจงรูปเยอะๆคนไหนอยากรู้มากนะสอนทาสิบแปมีรูปจำนวนมากมีนามจำนวนมากแต่รวมแล้วนะมันก็คือการแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วน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 นะชื่อว่าปัจจะยะปริคหายาณชื่อยาวนะไม่ต้องไปจํามันหรอกนะเสียเวลาเนี่ยเราค่อยศึกษานะค่อยสังเกตกายสังเกตใจเรื่อยๆยปัญญามันจะพัฒนาแต่ตัวนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสนาจะขึ้นวิปัสนาเนี่ยต้องเห็นรูปเห็นนามนั้นเกิดดับได้เห็นรูปอันหนึ่งกับรูปอันหนึ่งเป็นคนดละรูปเห็นนามอันนึงกับนามอีกอันนึงเป็นคนละนามเช่นจิต ด, ดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนละดวง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 เห็นไผ่เห็นไผ่นะมีไผ่บางคนก็เห็นว่ามันเวิ้งว่างหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นะบางคนเห็นว่ามันน่าเบื่อเห็นว่ารูปประธรรมนามมาทำทั้งหลายน่าเบื่อเรียกว่ามีนิพิทาบางคนภาวนาแล้วก็จืดๆรู้สึกไหมคุณอาภาวนาแล้วโลกมันจืดมันเบื่อ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 นี่ปุถุชนที่ฉลาดนะปุถุชนที่ไม่ได้ฝึกอบรมลืมตาขึ้นมาเห็นอะไรเห็นคนเห็นสัตว์เห็นเราหรือเห็นเขาคนะ mm hmm. วามจริงนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานิพพานไม่เคยหายไปไหนเลยแต่เราไม่เห็น mm hmm. ที่ไม่เห็นเพราะโมหะมันบงัง mm hmm. โมหะทำหน้าที่ปิดบังสภาวะนะ mm hmm. เพราะงันเมื่อไรนะหัดเจริญวิปัสสนาไป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 ธรรมอันนี้ได้ผลเร็วด้วยอ่ะต่อไปเชิญฐานข้าวไปทำหน้าที่ของเราทำหน้าที่กินข้าวนิมนต์ครับนิมนต์